ลูกรักทั้งหลายตามที่กล่าวมาในตอนต้นก็รู้สึกว่าประโยชน์ในการรับฟังเป็นน้อยนไยเป็นปสัวนิดหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการเอารวาัตศาสตร์มาคุยกันแต่ความจริงเรื่องคุยกันแบบนั้นพ่อก็คิดว่าดีเหมือนกันจะได้ทราบว่า คนไทยเรานี่ที่เราต้องเสียกําลังไปก็เพราะว่าทศิษย์อิสระภาพไปก็เป็คนใจดีมาเวลานี้เราก็มักจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมนี่เป็นของดีแต่ถ้าว่าท่านมีศีลมีธรรมแล้วก็จิตใจตั้งอยู่ในความประมาด ไทยเราอาจจะกลายเป็นทาสคราวนี้ถ้าเป็นทาสก็คงไม่มีความเป็นไทยทั้ น, นี้เพราะอะไรเพราะความประมาทอย่างหนึง่งและความอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างหนึง่งความระโมบโลภมากของบคุคคลที่มีอำนาจอย่างหนึง่งการขายตัวให้กัคนต่างชาติอย่างหนึง่ง ในการที่ไม่คิดอะไรให้รอบคอบอย่างหนึ่งพ่อสังเกตดูคนเลวมักจะมีเสียงมากพ่อเดินทางไปรอบรอบประเทศคนไทยทั้งประเทศเขาไม่เคยรู้เรื่องรัฐธรรม น, นูญไม่เคยเรียกร้องประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยไปยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่อง เขามีความรู้เรื่องเขามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือผู้บริหารประเทศทํางานโดยฉับพลันช่วยเหลือเขาและคนที่ท น, นองตนและอดตนว่าเป็นคนดีลูกรักทั้งหลายเจนว่าคนพวกนี้เป็นคนบ้าจีและเป็นคนบ้าอำนาจเป็นคนบ้าวิชาความรู้ มักจะอ้างประชาชนว่าถ้ า, าประชาธิปไตยอย่างร่างรัฐธรรม น, นูญก็ควรจะมีประชาชนเข้าร่วมด้วยแต่เนื้อแท้ประชาชนจริงๆนํามีไม่กี่คนที่มีความต้องการอย่างนั้นประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการอะไรต้องการว่าถ้าเขาไม่มีน้ําต้องการน้ํา ไม่มีข้าวต้องการข้าวไม่มีที่ทำมาหา ก, กินต้องการที่ทำมาหา ก, กินและคนประเภทที่ทำให้คนไทยต้องชิบหายวายวอดเครื่องมือสำหรับที่จะทำให้ประเทศอยู่รอดก็ดีและอาชีพของคนไทยก็ดีที่กำลังมีอยู่หากินกันอย่างพอกินบางทีก็เหลือเฟือ ต้องกลับกลายเป็นคนยากจนเข็นใจไปอยู่ในป่าสงวนมีที่กันคนไร่สองไร่และคนไทยที่ตั้งการต้องกอารจะขายชาติจะทำลายลทัทธิประเพณีคนไทยประเภทนี้แหละที่เขาต้องการรัฐธรรมนูญต้องกรารประชาธิปไตยแต่ความจริงมันเป็นอัตราธิปไตยในโลกรัก คำว่าอัตตาทิปไตยก็หมายความในความเป็นใหญ่ของเขาตอนนี้พ่อจะไม่นําประวัติศาสตร์มาพูดเยอะขอนําเรื่องราวของเท่าผู้ท่านผู้เท่าท่านผู้เท่านี่เป็นใครพ่อก็ไม่รู้จะบอกชื่อได้เหมือนกันหรือว่าประวัติศาสตร์ของเราก็ได้จําจํากันมา พอ ส, อสถานที่ชื่อบุคคลเมื่อขาดตอนไปมากประวัติศาสตร์ของเราไม่ใช่จะมาตั้งต้นเอาที่ตอนพระเจ้าอะไรพระเจ้าพรหมมหาราชทร่มาโลที่นี่ทีก็พอ่อขุนศรีอินทราธิตความจริงไม่ใช่อย่างนั้น คนไทยนี่ถ้าจะเขียนประวัติศาสตร์กันจริงๆต้องเขียนกันอีกเยอะเพราะว่าราวทั้งหมดเป็นคนไทยอย่างในสมัยมะองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัญาสัมมาสัพพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นท่านหมออาชีวกโกมารพัฒน์เลลาองสมเด็จพระบรมครูมาที่ทวาราวดี ตอนนี้ก็ปรากฏว่าทิทวาราวดีเป็นคนไทยท่นานหมอไทีวกไปยืนยันกับองสมเด็จพระจอมไตรว่าชาวทวาราวดีพูดภาษาโดดและพูดไพเราะมากพระพุทธเจ้าให้พูดให้ฟังเมื่อพระหมอไอทีวกพูดภาษาทวาราวดีสมเด็จพระจินสีก็ทรงพูดภาษานั้น พูดกันสนุกสนานในที่สุดพระหมอชิวโกมารพัชกัลสงสัยจึงได้ทูลถามองสมเด็จพระจอมไตรว่าพระองค์ทรงรู้เรื่องนี้ได้อย่างไงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดว่าชาวกรุงกบินภัทท์ทั้งหมดใช้ภาษานี้เป็นภาษาพื้นเมืองนี่เป็นอันว่าคนไทยเราอยู่ในที่นี้มา น, นาน แลี่ก็ย้ายออกไปมากแสดงว่าแต่คนไทยมีมากแต่การที่อยู่ต่างถิ่นในสถานที่ต่างกันอยู่กันคนอะกกคนละเหล่าภาษาที่พูดจริยาวัฒนธรรมมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง <c oughs> แต่นั้นใจก็คงเป็นคนไทยตอนนี้ไปพ่อจะขอนําเรื่องอท่านทั้งหลายที่เล่ากันต่อๆกันมาพ่อฟังมาตั้งแต่เด็ก เราเข้ามาะสมสายกันจะถูกหรือผิดพ่อก็อขอยอมรับว่าถูกก็ได้ผิดก็ได้ฟังกันมายังไงก็เปนไปเพื่อประโยชน์ของความเป็นไทยของเราท่านได้บอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งเพราะว่าในสมัยเมื่อพ่อเด็กๆมีพระผู้ทรงอภิญญามาก แต่พาพูดเรื่องนี้ไปบางทีอาจจะมีใครเข้าไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจ้อยู่หัวว่ามหาวีระนี่คงจะอดฤทธ์อดเดชอีกแล้วความจริงพ่อเป็นคนไม่มีฤทธิ์พ่อเป็นคนไม่มีเดชถ้าฤทธิ์เดชจะพึงมีก็ต้องอาศัยองค์สมเด็จพระชินาศีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อาศัยวิชาความรู้ของท่านเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2521ยนมาทั้งถึงวันที่พูดนี่เป็นวันที่17มกราคม2522พ่อได้รวบรวมความรู้ขององค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางตอนที่พ่อศึกษามาในกรรมฐาน40 ท, ทั้งหมด และก็มหาปฏิปทานาสูตรด้านขั้นสุขวิปัสสโกตีวิโชชะพิญโยปิสัมบิทัปปโตและก็นำเอาด้านเตวิโชกชะพิญโยเข้ามาบวกกันใช้กำลังสมาธิสั้นๆ <c oughs> ก็ถึงเวลานี้ปรากฏว่านักศึกษาทั้งหมดสามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ประมาณพันคนเศษ ที่สำนักเราก็จะผ่านไปประมาณรักสามร้อยคนเสร็จไม่สำนักและคนที่อยู่ในสำนักก็ไปฝึกกันต่อต่อไปพ่อเป็นคนไม่หวงวิชาเพราะว่าไม่ใช่วิชาของพ่อเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าสร้างคนให้เป็นคนดีอย่างนี้แต่ใครจะบอกว่าเป็นอดอุตริมนุสธรรมก็เชิญไม่ใช่อด แล้วมันจะทำให้แนะนำให้เขาทำแล้วเขาก็ทำกันได้จะหาอดลิษอดเด็กก็เชิญพ่อไม่หิ้งแค่สสำหรับคนดีแต่พูดจะไม่ทำสินห้าก็ไม่ครบพ่อจะสนใจอะไรเวลานี้พ่อใกลยย้จะตายอยู่แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขึ้นมาพ่อจะบอกให้หมด เป็นอันว่าความรู้ต่อไปนี่อาศัยความรู้จะองค์สมเด็จพระบรมสุคตบ้างอาศัยการบอกเล่าของท่านบเถ่าท่านผู้ใหญ่พระในสมัยก่อนบ้างแล้วก็คารวะาในสมัยก่อนที่ท่านทรงทำบ้างแท่าคุยกันต่อๆกันมาอย่าลืมว่าพ่อเองพ่อก็ไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงยังไง เป็นอันว่าท่านผู้ท่านทั้งหลายท่านผู้รู้ก็แล้วกันนั้นจะเรียกว่าท่านผู้เท่าแล้วท่านตายไปไม่มีกระดูกเหลือแล้วทั้งหมดเนี่ยที่คุยให้ฟังให้พ่อฟังไม่มีกระดูกท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบท่านบอกว่ามีบุคคลอยู่คนหนึ่งเอาระยะสันส้นๆ ท่านผู้นั้นคือพระเจ้ามังราย ล, ลูกชายลูกชายของพระเจ้าอชุตาราชจอมแช่งเหมือกันท่านองค์นี้ครองราชสมบัติแทนราชบินดาเมื่อครองราชสมบัติแทนราชบินดาแล้วก็เริ่มขยายอาณาเขตจยากหนึ่งที่พระราชบินดามีอยู่ขยายไปสามเท่าตัวเป็นสี่เท่า และก็การขยายอาณาเขตเขาพระเจ้ามางรายมหาราชมหาราชนีพอตั้งให้นะก็ไม่ได้ใช้อาวุธแต่ความจริงจะว่าไม่ใช้อาวุธก็ไม่ถูกท่านใช้อาวุธที่มีความสำคัญมากมือจับดาบแต่ดาบไม่ได้ฟันใช้ลีลาหนึ่งคือการแต่งตัวสวย อบรมคนที่อยู่ในขอบเขตการปกครองให้มีระเบียบถึงเวลาที่แสดงความเป็นเจ้าเป็นนายคนก็เป็นเจ้าเป็นนายคนผู้คนแสดงความอ่อนน้อมเวลาที่ถอเครื่องแบบออกก็เป็นเพื่อนกับคนชอบคุยกันแบบสบายๆตามใจชอบนี่ว่าคุยกันแบบไทยๆนั่นแหละ เพราอาสัยน้ำใจรูปร่างท่านสวยเป็นคนเนื้อละเอียดคนไทยเวลานั้นเป็นคนเนื้อละเอียดผิวค่อนข้างเหลืองมีจริยามัญญาสมบูรณ์แบบมีความอ่อนน้อมเป็นปกติมีวาจาไพเราะย่อมเป็นที่รักฉะนั้นเวลาจิตจะขยายนาเขตเวลานั้นก็ยังไม่เรียกกันว่าประเทศ ก็ควรจะเรียกว่าเป็นกลุ่มชนท่านก็พาคนของท่านไปในเขตนั้นนั้นนำเครื่องบรรณาการที่มีอยู่ที่ตนม่อยู่เช่นทองคำ <c oughs> และผ้าที่มีค่าการทำผ้าก็ทำดีถือผ้ามาจากแคงกาสีเป็นมาตรฐานเอามาสร้างกันพอกันเอง แล้วของที่มีค่าต่างๆก็ไปให้ผู้ปกครองเขตในกลุ่มๆแล้วก็รวมตัวกันพูดภาษาเดียวกันว่าเราเป็นพวกเดียวกันเอาเข้ามารวมเป็นกลุ่มดีกว่าไม่อะไรจะได้ช่วยเหลือสิ้นกันเลยกันแล้วท่านก็ให้ความช่วยเหลือตลอดมาในที่สุดคนในเขตนั้นเขาก็ยอมอ่อนน้อมแสดงว่ามารวมเขตด้วย ก็เห็นว่าช่วยเขาได้ดีตอนนี้แล่ะลูกรักอณาจาักที่นี้กว้างใหญ่ไปอีกสามเท่าดังนก็ส่งพี่น้องคนท่านไปปกครองปกครองอย่างพี่อย่างน้องไม่ใช่ปกครองแบบเจ้าแบบนายนี่ตอนนี้เป็นว่าเข้าใจไว้นะแล้วก็ต่อมาพระเจ้ามังรายมหาราชคําว่ามหาราชที่พ่อตั้งให้นะ ท่านก็สวรรคตคือตายไปต่อมาก็เป็นอันว่าเมื่อพระเจ้ามังรายมหาราชตายราชการในสมัยนั้นที่พ่อบอกมาแล้วอ่ะนั่นผ่านไปกี่ราชการเดี๋ยวก็จะลืมนะผ่านไปถึงสารสิบห้ารชการตัวผ่านไปเป็นเฟืองสสาสินะบสี่เนี่ยพรารชการที่สามิบ้า เมื่อเจ้าพังคราชเมื่อพระราชวินดาที่บงคตก็ปรากฏว่าทรงสวยราชตั้งแต่อายุสิบแปดปีมาตอนนี้เราไม่ได้เตรียมการรบใช้การปกครองตามปกติแบบพี่แบบน้องอาศัยเจ้ามอนอันดภานเมืองหาริภุญชัยคือเมืองลำโพงที่เรียกกันว่าขอมดำ ท่านครองราชมาถึงอายุปีที่อายุยี่สิบก็เห็นได้สองปีนะสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบข้อมดำก็ยกทัพมาเขาเดินทางเดินทางทัพมายี่สิบวันใช้กำลังหนึ่งแสคนเรามีคนตั้งแต่ใหญ่ที่สุดแจ่ที่สุดถึงเด็กที่สุดสุดแสนคนเศษเมื่อกองทัพมาเราก็ต้องนำกองทัพออกไปรับ ทหารที่ไม่มีการฝึกปืออยู่ก่อนเพื่อการรบเราก็รบแปรตีกันเขามีระเบียบดยีไหนในที่สุดการประทะ ก, กันในคราวนั้นเราก็สู้เขาไม่ได้ลูกหลานที่รักต้องแพ้เขาบังคับให้พไปเจ้าพังการาชไปปลูกบ้านอยู่นอกเขตที่เขากันเขาไว้แล้วก็ต้องทรงส่วยให้เขา ตอนนี้และลูกหลานที่รักเอ่ยความสุขความสมบายความอุดมสมบูรณ์มีเพียงใดเราต้องตกเป็นท่ายเขาเขาก็ใช้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเขาบีบบังคับแม้แต่พระเจ้าพังคระไรเขาจะใช้ให้เทกระถนขี่ทวยกระเทกระถนเยี่ยวก็ต้องทำคนทุกคนทำนาทำไร ทำอะไรเขามันได้เขาต้องการจะได้เขาก็เอาลูกใครเมียใครที่เขาต้องการอยากจะได้เขาเอาเขาก็ต้องได้ถ้าไม่ได้หมายถึงตายการทำกิจการงานทุกอย่างลูกรักเราเป็นท้ายเขาความจริงเมืองของเราแต่ว่าเขามาปกครองเราเขาถือว่าเราเป็นทาส เขาใช้อำนาจกดขี่เขาต้องการให้ไทยทั้งหมดตายวิธีกำลังการทรมานมันแสนเยีายสหัสที่มันลาลูกหลานที่รักที่เห็นว่ามีคนเป็นกลุ่มกมในสมัยที่พ่อไปเฉียงแสนเมื่อไปโดยตรง ตั้งนั่งรวมกลุ่มกันกวาดพื้นที่นอนกระดินกินกระท่ายใช้กระทะหุงข้าวใช้กระทะต้มเผือกมันกินรวมกันนั่นเป็นเกณฑ์ที่ถุกทรมานที่สุดเป็นอันว่าคนไทยที่เคยมีความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องแต่เวลานี้มาเป็นทาย เขาใช้อำนาจจกนกทั้งว่าเวลาจะทำงานให้กับเขาเวลาที่เขาต้องการให้ยกข้าวยกของถ้ามันหนักเกินไปเขาไม่ชอบใจเขาก็ตัดแขงเขาก็ฟันขาเขาก็ตีเขาก็หดทำตามกำลังชอบใจเป็นอันว่าในสมัยนั้นคนไทยก็เต็มไปได้วยความเศร้าโศกเสียใจ มีแต่ความระทมหาความสุขไม่ได้ทั่ประเทศเขตที่ปกครองต่างกร็งระงมปดามน่ายของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นความสุขความสุขที่เคยมีมาในการก่อนไม่มีจะไปที่ไหนก็มีคนทุกคนนั่งไม่ได้ความน่าเศร้า กำลังใจสิ้นไปก็หมดความเป็นไทยความเป็นไทยไม่มีในน้ำใจของคนทั้งหลายเพราะขาดอิสรภาพนี่แห่ะลูกรักทั้งหลายความเป็นท่าแต้มมันไม่มีอะไรดีอย่างนี้นะฟังเสียงปีมอ น, สนแสดงซึ่งความโศกเลื่องความเศร้าของชาวไทย ที่มีความเรื่อนเริงมาในการก่อนใครทุกคนต้องนั่งน้ำตาไหลกำลังใจก็สิ้นหาอะไรดีไม่ได้ที่จะขออยา ก, กินที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์เขาก็ดึงความอุดมสมบูรณ์ของเราไปเราทำข้าวได้มาก เขาก็เอาข้าวไปเขาต้องการอะไรต้องได้ทุกอย่างทรัพย์สินที่มีอยู่ถ้าบังเอิญเขาจะต้องการเขาก็ต้องเอาให้ได้นี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะทำยังไงได้ลูกหลานที่รักในเมื่อเราจําจะต้องเป็นพ่ายเขานี่ ใะต่อมาในวันขนา้างหน้าต่อมาก็ปรากฏว่าเขาก็บังคับให้คนไทยเราไปอยู่ในเขตเขตหนึ่งที่เรียกว่าแคว้นสีทองหรือว่าแคว้นสีทองในตอนนี้ก็ปรากฏว่าเรามีที่จํากัดมันเป็นที่ดอนไอที่นะ่ะมันเป็นที่ดอนนะ ถ้าน้ำปลาข้าวปลาหายก็หาได้ยากเป็นนั้นว่าเราทุกคนต้องมีแต่ความลําบากมีแต่ความทุกข์หาความสุขจริงๆอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นทินดอนหาน้ําไม่ได้เธยังไงความเป็นอยู่ของเราความเป็นอยู่ของเราก็เป็นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ไอเรื่กรเกษตรนี่ไม่ต้องมีน้ำมี่าตร้องทามาหา้กินกันตามปกติแต่ท่าว่าลูกหลานที่รักความเป็นอยู่ของเราปราศจาอิสรภาพไม่มีอะไรเป็นความดีเราอยู่ด้วยกันเนื้อที่ประมาณแสนไร่เศษเศษที่ขาย้ำกัดให้ จะกินจะอยู่มันก็หาความสุขหาความสมบายไม่ได้บ้านเรือนที่อาศัยที่เคยมีความสุขเราก็ต้องอยู่รวมกันปลูกกระท่อมเล็กๆ เ, เป็นที่อยู่ที่อาศัยหาหัวเผือกพวกมันแต่ว่าทุกปีเราจะต้องส่งทองคำให้เขาฟรีจานวนมากจะ น, นับเป็นช่างๆนะเป็นสิบช่าง ถ้าเราหายเขาไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเขาจะใช้อำนาจเขาทำลายต่อมาเมื่อพระเจ้าพังการาชทรงเสวยราชมันหมายไม่ใช่ทรงเสวยราชต้องเสียอำนาจออกไปแต่ว่าบรรดาประชาชนชาวไทยเป็นคนที่ทรงไว้ซึ่งความดีมีเจรยิยจรณาธรรมดี ถึงแม้ว่าพระเจ้าพันาราชจะไม่ใช่พระราชาเขาก็ยังเคารพว่าเป็นพ่อบ้านแม่เมืองยังเคารพเป็นพระราชาอยู่เรื่องอภิใจยนกรรมสำหรับพระเจ้าพันาราชพระองค์ก็ไม่ทรงฉลองพระองค์แบบราชาเวลาที่จะไปหาบรรดาประชาชนชาวบ้านท่านุ่มกางเกงดา อย่างกระทุกนี้ที่ลูกแปลเห็นอยากจะเห็นพระเจ้าพังคาราชแต่ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งเงเกงขาสั้นอายุประมาณกลางคนนั่นสันทัานชันแดงถึงว่าเวลานั้นท่านถูกทุกทรมานมากท่านก็มีตัวอย่างอย่างประชาชนนั่งมองอยู่แต่ลูกแปลไม่ถาม เรยไปคิดว่าต้องการเห็นพระเจ้าพังกราดก็ไปเห็นหน้าตอนที่ธนลำบากต่อมาเป็นอันว่าคนไทยเราได้รับความยกเข็นในเวลานั้นเราต้องเป็นท้ายเขาอยู่ถึงเวลา22ปีลูกรักคนแสนคนเศษมีเนื้อที่แสนไร่เศษเศษนิดหนึ่ง ฮิตเชลียแล้วเราก็มีคนมีหน้าที่ไม่เพียงไร่ตัวหนึ่งคนนั่นอกจากนั่นเจ้าขอมทรอยชนมันยังใช้อํานาจจะต้องการอะไรมันเอาทุกอย่างมันต้องการแยาค่ามันต้องการแยาตีมันต้องการยาทำไรมันทําทุกอย่างตามใจชอบ เดินสวนทางกันเขาอยากจะตีเขาอยากจะฟันเขาก็ทําได้กฎหมายของเขาไม่มีที่จะบงังคับพวกเขาคําว่ากฎหมายก็คือทําตามใจชอบตามระบี บ, บกปกติธรรมดาเวลานี้ก็มีขึ้นแล้วมาในโลกเขาเรียกว่ากฎหมายตามใจชอบอย่างราวกับขมนิน ที่เราเห็นเห็นอยู่ว่าเขาจะต้องการใช้งานยังไงเขาก็ใช้การจะกินจะอยู่เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะให้แม้แต่คนไทยเราก็เหมือนกันเรื่องคอรับชั้นเรื่องโกงเรื่องกันเรื่องกินนี่มันก็มีอยู่นี่คนประเภทนี้พ่อเข้าใจว่าเป็นเชื้อชาติคอมเดิมคอมดํานะ เดิมเขามาเกิดยังหวังการทำทำลายพวกเราเขาเห็นแต่อำนาจจนตัวเขาเห็นแต่วความสุขส่วนตัวของเขาเราจะวินาทบัญลัยยังไงก็ช่างบางคนเขาบอกว่าเขาอยาเป็นผู้แทนนัตสันดอนต้องการไปเป็นผู้แทนสันดรหวังความสุขความทุกข์้แก่ประชาชนแต่เวลาเป็นจริงๆเขาบอกเขาอยากเป็นรัฐมนตรี อย่าเป็นเลขานุกการอย่าจะมีอาภิสิทธนนทนอย่าจะมีอภิสิทธินีนี่สนแสดงว่าเราเลือกโจรเข้าเป็นเป็นผู้แทนของเราถ้าเป็นผู้แทนจริงๆก็เป็นคนที่ควบคุมการบริหารของรัฐบาลแล้วก็เข้าไปคอยจี้จุดรัฐบาลไม่ใช่ไปเป็นรัฐบาลเสียเอง ยับอกว่าระบบประชาธิปไตยต่งางๆผู้แทนรัศดรที่เลือกเข้าไปจะต้องเป็นรัฐมนตรีเพราะไม่ได้เห็นด้วยเพราะคนไทยที่เราเลือกเข้าไปเขาไม่ได้มีศีลไม่ได้มีธรรมพอสมควรถ้าเข้าไปบริหารประเทศชาติเองความเห็นแค่ตัวมันก็จะมีขึ้นทําอะไรก็หวังประโยชน์ส่วนตัวที่เราเห็นเห็นกันมา พ่อพูดดีพ่อไม่ได้ปลุกระดมมวลชนพูดให้ลูกหลานของพ่อฟังให้มีความเข้าใจว่าระบบประชาธิปไตยจริงๆผู้แทนควรจะเป็นผู้แทนผู้แทนไม่ใช่รัฐมนตรี <c oughs> พ่อพูดอย่างนี้อาจจะมีคนมีจานวนมากเขาไม่ชอบแต่ขอให้ลูกลองคิดดูว่าถ้าเข้าไปบริหารเองถ้าตนทําผิดแล้วก็ ใครจะเป็นคนลงโทษถ้าต้องการอำนาจต้องการร้านต้องการทรัพย์สินก็ใช้การถิงจ้างสิ่งกันและกันในการจ้างซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็หมดเสียงแทนที่จะเป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นขันาทิปไตยมีสมัยหนึ่งผู้แทนที่ท่านผู้ทรงเกียรติหวังดีก็ชาติ เข้าไปแบ่งโคต้ตาเป็นรัฐมตรีกันไม่พอยื้อกันไปแย่งกันมาอย่างนี้เรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยเราคนญี่ปเรียกกันว่าโจราธิปไตยหมายความว่าโจรเป็นใหญ่เข้าไ ป, ปล้นความเป็นสุขขบรรดาปรยชนชาวไทยแล้วงานอะไรที่จะทาขึ้นมันได้ฉับพลันไหมคนน้ํำท่วมช่วยกันได้ทันทีไหม คนน้ำแห้งไถไถทันทีไหมดีไม่ดีเรื่องเล็กเรื่องน้อยนิดนิดก็สร้างความลำคาญในเกิดขึ้นมิตรเทศที่ก็ช่วยให้คนไทยมีความสุขก็พยายามขับไล่เข้าไปและคนไทยที่มีความทุกข์อีกกี่กี่แสนคนเขาไม่ได้เคยมองพ่อเข้าป่านะพ่อทราบดี ว่าคนพวกนี้ต้องไปมีกินบ้างไม่มีกินบ้างแม้แต่ผ้าผ่อนท่อสบายที่จะใช้ก็ไม่มีถ้าบรรดาลูกรักท่านหลายหน้านี้ก็รู้สึกว่าหมดไปขอลูกรักทุกคนรับฟังเทพหน้าใหม่ต่อไปนะพอยี่ได้เล่าต่อไป